Mm hmm. คราวหนึ่งเทวดาป่าาลบขึ้นมาว่ามีโคก็เป็นสุขเพราะโคมีลูกก็เป็นสุขเพราะลูกกิเลใดที่ทําให้มีความสุขมีความยินดีผู้ที่มีกิเลสก็ย่อมประสบกับความสุขความยินดีพระพุทธองค์ได้ฟังก็ตรัสออกมาอีกแง่นึงว่ามีโคก็ทุกข์เพราะโคมีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตร ก, ก, กิเลส ที่ทำให้เป็นทุกข์ใครมีกิเลสก็ย่อมประสบความทุกข์ไม่ประสบความยินดีอันนี้ก็พระพุทธอง์ต้อ ง, งการที่จะชี้เห็นว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้เราเป็นสุขสิ่งนั้นก็สามารถจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เสมอเพราะว่าสุขกับทุกข์นี่มันก็เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันทรัพย์สมบัติที่ทำให้เรามีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ สร้างความทุกข์ให้แก่เราอย่างน้อยๆก็ต้องคอยดูแลรักษามันและถ้าเกิดว่ามันเกิดเสื่อมเกิดเสียเกิดหายเราก็ทุกข์เลยเพราะถ้าเราไปยึดติดในสิ่งของเหล่านั้นอันนี้ก็รวมไปถึงสิ่งอื่นด้วยที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคนรักทําให้เรามีความสุขแต่ก็สามารถทําให้เราทุกข์ได้เช่นเขาอาจจะพูดไม่ถูกใจเรา หรือว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เราคาดหวังเรามีความปารารถนาเดียวเขาแต่เขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราก็ทุกข์หรือว่าถ้าเกิดเขามีอันเป็นไปเจ็บป่วยประสบปัญหาหรือว่าเกิดจากเราไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ชื่อเสียงเกติยศสถานภาพก็เช่นเดียวกันชื่อเสียงเกติยศอันไหนที่ทาให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินยินดี สิ่งนั้นก็สามารถจะทำให้เราพุกได้ทุกเวลาอย่างเช่นการมีสถานภาพเป็นผู้นำอาจารย์พรหมวังโสท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านเป็นลูกวัดอยู่ที่วัดหนองประพง์ท่านก็มีความรู้สึกว่าเป็นลูกวัดนี่มันไม่ดีเลยเพราะว่าอาหารนี่กว่าจะตกมาถึงบางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรดีๆให้ตกมาถึงเท่าไหร่อาหารดีๆก็ ไปอยู่ที่ข้างหน้าหมดคือพาเขาฉันเรี้ยงตามลําดับอาวุโสพระเล็กพระน้อยก็ไม่ค่อยมีของโปรดของดีตกมาถึงเท่าไหร่เขาคิดว่าเป็นเจ้าวาก็คงมีความสุขเมื่อท่านได้เป็นเจ้าวาดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียท่นก็บพบว่าชีก็สะดวกสบายขึ้นอย่างที่คาดเอาไว้ก็คือว่าเรื่องปัจจัยเรื่องอาวิธบาสนี้ก็เรื่อไม่ขาด เพราะว่าเป็นเจ้าวาดก็จะมีสิทธิพิเศษแต่ท่านก็พบว่ามีภาระอย่างอื่นที่ตามมาพร้อมกับการเป็นเจ้าวาดเช่นต้องไปแสดงทำรับกิจนิมนต์อยู่บ่อยมากต้องเสียเวลาบางทีเป็นชั่วโมงๆกับญาติโยมต้องเสียเวลาไปทํางานบริหารวัดท่านก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเจ้าวาดนิทุกนะลำบากนะถึงตอนนี้ก็นึกมาถึงลูกวัดหรือตอนตัวเองเป็นลูกวัดว่า เป็นรูปวัดนี่ก็าสบายนะไม่ต้องมีผ่ารับความรับผิดชอบแบบนี้แล้วท่านก็รู้ว่าแล้วได้ข้อสรุปว่าเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนละแบบเป็นรูปวัดก็ทุกแบบหนึ่งเป็นเจ้าวัดก็ทุกแบบหนึ่งแต่ว่าปกติเวลาเราเป็นลูกวัดก็ไม่เห็นว่าเป็นเจ้าว่ามีทุกตรงไหนเพราะไปเห็นแต่ด้านดีว่ามีอภิสิทธิ์มีเอกสิทธิ์ต่างๆอันนี้ก็ทํานองเดียวกับเวลาเรามองไป คนที่คนมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำรวยคนเด่นคนดังคนมีอำนาจก็ <c oughs> คิดว่าเขามีความสุขและถ้าเกิดว่าพยายามไต่เต้านะเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นสถานภาพเหล่านั้นขึ้นมาก็ <c oughs> อาจจะได้รับความสุขสมใจเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเวลาใครชมก็ปลาบปลืม้มเวลาใครยกย่องว่าเราเก่งเราเป็นผู้นาก็มีความสุขตัวมันก็จะลอย อันนี้ก็เป็นความสุขหรือว่าเป็นด้านดีนะจากชื่อเสียงเกียรติยศสถานภาพแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็ตามมาด้วยภาระความรับผิดชอบเพื่อที่จะต้องทำตามหน้าที่นั้นเ mm hmm. ช่นในบางสังคมหรือในสังคมอรารยประเทศถ้ามีชื่อเสียงแล้วจะไปทำอะไรตามใจไม่ได้จะไปเที่ยวจะไปเมาหัวลาน้ําหรือว่าจะไปทำอะไรไม่ถูกต้องตาม สื่อและทำประเพณีอย่างคนธรรมดาเ้าทำกันเขาทำไม่ได้ถ้าถูกจับได้ก็เสียหายหรือว่าขณะเดียวกันก็ต้องมีคนรับผิดชอบต่อส่วนรวมเช่นเขาเกิดภูพิกภัยเกิดภัยอันตรายเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาคนเด่นคนดังก็ต้องมีหน้าที่ต้องไปช่วยเช่นบริจาคเงินตอนที่เกิดสึนามนะิก็มีคนคนเด่นคนดังคนที่มีชื่อเสียงมีสถานภาพในต่างประเทศนี้บริจาคเงินมาช่วยสึนามิเยอะแยะ แต่พอมีนักกีฬาเทนนิสของไทยคนหนึ่งมีเงินเป็นล้านจากการแข่งแต่ว่าบริจาคเงินแค่หมื่นเดียว mm. ก็เลยถูกคนต่อว่า mm. นังสุบพิมพ์วิจารณ์ว่าคุณนั่งรถกับรถเฟรรอร์รารี่ราคาเป็นล้านแต่คุณให้ด้วยซสื่อมีแค่หมื่นเดียว mm. ก็ถูกด่า mm. เขาก็สงสัยว่า เ, mm. เขาทำผิดอะไร mm. ก็แค่ให้หมื่นเดียวอันนี้พอาะเาไม่รู้ว่ามันมีความรับผิดชอบตามมาควบคู่กับการเป็นคนเด่นคนดัง ซึ่งในแง่นี้ก็เป็นภาระอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่มีแค่นี้นะเพราะว่าถ้าไปยึดติด ก, กับสถานภาพนั้นมันก็จะมีปัญหาคือความทุกข์ตามมาไหนจะต้องพยายามที่จะประคองรักษาให้ความเด่นความดังนั้นมันมีตลอดไนะหนจะรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อมีคนอื่นเขามาทาบรัศมีหรือเขามาเด่นมาดังกว่าแค่เขาตามไล่มาติดๆนี่ก็ทุกข์แล้ว เพราะว่ากลัวจะสูญเสียสถานภาพความเด่นความดังนั้นเจอใครที่เก่งกว่าก็ทุกหรือเจอใครที่เขาเก่งใกล้ๆกล้เราก็ทุกเพราะว่ากลัวจะสูญเสียความเป็นเบอร์หนึ่งความเป็นผู้นำความเป็นคนเก่งถ้าหากว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่มีจํากัดเช่นเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นปหลัดก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่มองใครต่อใครว่าเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งนี่ขนาดยังไม่เสียไปเลยนะยิ่งถ้าสูญเสียไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ ความเป็นคนเก่งความเป็นคนดังนะมันก็พอไปยึดมันแล้วก็หลุดจากจุดนั้นไปมันไม่ใช่ว่าหลุดไปเปล่าๆมันก็จะคอยโบยตีคอยทาลายจิตใจมันโบยตีอาจารย์พุทธเลิศมันกัดเจ้าของมันกัดชื่อเสียงเกิติยศสถานภาพความเป็นคนเก่งเนี่เราหลุดไปจากมันแล้วแต่ใจยังไม่ยอมหลุดด้วยยังยึดติดอยู่มันก็จะกัด ที่เคยให้ความสุขกันแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ทำให้เราไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้บางทีก็ทำให้กุ่ม อ, อกกุ่มใจทำให้เครียดนะทาให้นอนไม่หลับทำให้เป็นโรคหัวใจบางคนตรอมใจตายก็มีอย่างที่ไปเล่าเรื่องอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบองที่เป็นผู้ว่านี่ก็มีความยินดีมีความสุขว่าเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่ ไปที่ไหนคนก็โคง้งคนก็คำนับขา้า บ, บดีในจังหวัดก็ต้องมาสู่คบข้ราชการในจังหวัดก็ต้องมาคี่หนพ่พิเทาก็ปลื้มไปกับสภาพเช่นนี้แต่ว่าพอกเกษียณกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นก็ทําใจไม่ได้เพราะมันยังห่วงยังยึดยังยอมรับความเป็นคนธรรมดาไม่ได้เพราะเคยใหญ่เคยเด่นเคยดังมาก่อนแล้ววันหนึ่งก็ได้รับเชิญให้ไปจังหวัดนั้นมีงานประจําจังหวัด ก็ดีใจนะจะได้กลับไปสู่บรรยากาศเดิมๆที่เคยภาคภูมิใจที่เคยมีความสุขแต่พอไปถึงงานก็ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจตัวเองเลยราชการข้าบดีเข้าก็ไปห้อมล้อมผู้ว่าราชการคนใหม่ตัวเองนี่ก็เรียกว่างอยก็มีแต่ข้าราชการผู้น้อยมาคุยด้วยคนรถนักการพาลงต่างมหามาไหว้ก็เท่านั้นเรียกว่าเจอแบบนี้แล้วใจสลายเลยกลับไปบ้านก็ ตอมตรอมอยู่ไม่นานก็ตายไม่รู้ตายเพราะสาเหตุใดแต่คงมีส่วนจากเรื่องความเียว่าจิตสลายนี่ก็ได้อันนี้เรียกว่าสถานภาพตำแหน่งนะมันโบยตีมันกัดเจ้าของเพราะไม่ยอมปล่อยมันเหมือนกับถือคบเพลิงคบไฟที่ทำด้วยฟางมันไหมให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่า ถึงจุดหนึ่งมันก็จะลามไหมมาถึงมือถ้าไม่รู้จักปล่อยให้ทันเวลามันก็ไหมลวกมือสิ่งที่เรียกว่ากามรวมไปถึงชื่อเสียงเกิติยศมันก็เป็นอย่างนี้คือมันให้ทั้งสุขและโทษให้ทั้งสุขและทุกข์ให้มีทั้งคุณและโทษเหมือนกับเปลวไฟมันก็ให้แสงสว่างแต่มันก็เจอไปด้วยควันระคายเคืองแล้วก็มันก็ไหมลามมาถึงมือที่ถือด้วยถ้าไม่ปล่อยมันทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่ ผู้ฉลายก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับมันคือใช้มันให้เป็นไม่ใช่ให้มันมาใช้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปยึดติดเมื่อไหร่ไปยึดว่ามันเป็นของเราไปยึดว่านี่เป็นทรัพย์สมบัติของเรานี่เป็นตําแหน่งชื่อเสียงกิตติยอของเราในทันทีนั้นเองเราก็กลายเป็นของมันไปเรากลายเป็นของมันเราเชื่อบ้านเป็นของเราแก้วแหวนเงินทองเป็นของเรา แต่เราต้องหาที่เป็นของมันต้องยอมเหนื่อยยากเพื่อรักษาปกป้องมันไปมาจะขโ ม, มยเพชรขโ ม, มยรถขโ ม, มยเงินบางทียอมตายได้เพื่อปกปักรักษามันเอาไว้บางทีไฟไหม้เนี่ยเราบอกว่าเครื่องเพชรมันอยู่ในบ้านกลัวว่าเครื่องเพชรมันจะสูญกลัวว่าทองมันจะเสียมันจะเสื่อมทำยังไงวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในกองเพลิงเพื่อที่จะเอามันมาเพื่อที่รักษามันเอาไว้ สุดท้ายก็ตายหรือไม่ก็บาดเจ็บพิการอันนี้แสดงว่าเขาเป็นของมันไปแล้วคนคนนั้นเป็นของเพชรเป็นของพลอยเป็นของทองไปแล้วไม่ใช่ทองเป็นของเขาไม่ใช่เพชรเป็นของเขามันกลับกันนะมันกลับเลยมันตลปัดเลยพอมีอุปทานความยึดติดเนี่ยมันตลปัดกลับกันทันทีชื่อเสียงกิตติยกก็เช่นเดียวกันความเป็นคนเก่งความเป็นผู้นำพอไปยึดมันเป็นของเรา แต่ที่จะคิดว่าเป็นของโชคราภแต่ที่จะคิดว่าเป็นหัวโขนของที่เป็นหัวโขนเนี่ย mm hmm. มันก็เป็นของโชคราวแต่ว่าพอไปยึดมเป็นของเราจริงๆมันคือตัวเราจริงๆนี่โอ้ครา น, นี้เราเตรียมทุกข์ได้เพราะว่าเราจะกลายเป็นของมันทันทีมันจะเข้ามาบงการชีวิตเราทําให้เราต้องทุกข์ทำให้เราต้องร้อ น, นเวลามีใครมามาแข่งมาขันมาเทียบร mm ัศมีหรือเวลาประสบความล้มเหลวทําให้เราต้องหลุดจาก สถานภาพนั้นจิตมันก็จะดิ้นมันก็จะไม่ยอมมันก็จะดิ้นหล่นทุรนทุกรายไม่ยอมรับความจริงว่าเราได้สูญเสียหรือว่าประสบปัญหานั้นมันจะกลายเป็นคุกที่ขังเราไว้แล้วมันก็จะพยายามที่จะใช้เราเพื่อให้หวนกลับไปถึงวันคืนเก่าๆที่เคยมีสิ่งนั้นนึกถึงก็มีความสุขแต่ว่าพอมันมองปัจจุบันก็ทุกทันทีเพราะมัน เป็นอดีตไปซะแล้วบางทีมันคลองจิตคลองใจแม้กระทั่งในวาสุดท้ายของชีวิตมีคนคนหนึ่งนี่แกเป็นผู้นำเป็นพยาบาลที่เก่งมีความสามารถนะลูกน้องก็กลัวและเคารพนับถือแล้ววันหนึ่งแกก็พบว่าแกเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งเงี่ยแกไม่ไม่ยอมรับเลยนะว่าเป็นแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาช่วยไม่ยอมให้ใครมาแนะนาด้วยจะซึมนะไม่เป็นอันทางาน ลูกน้องมาแนะนำมาช่วยแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมรับตัวตัวเองเป็นคนป่วยเพราะในความส่อของการเป็นคนป่วยก็คือการที่ถูกลดสถานนะอากเป็นผู้นำกลายเป็นผู้ที่ต้องคอยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นทำใจไม่ได้ความเป็นผู้นาที่มันครองใจมันมันสั่งให้ใจปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือของใคร รู้สึกว่าการที่ลูกน้องมัแนะการที่เปิดใจรับฟังคําแนะนําของลูกน้องนี่มันเป็นการเสียเกียรติยศหรือว่าเสียสถานนะนั่นแกก็เก็บตัวไม่ยอมไม่ยอมพูดให้ใครมาคุยเรื่องนี้ไม่พูดเลยแต่เวลาไปไปเจอผู้ป่วยด้วยกันแกจะกูรีกูจอเป็นผู้นำํำนะช่วยเขาแนะนําเขาอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้ความเป็นผู้นำนี่มันซึ่งทางพุทธศาสนาด้วยมานะ์ น, นี่มันมันก็คอยหาช่องแสดง แสดงตัวตนหรือประกาศตัวตนเวลาอยู่คนปกติก็ไม่ยอมรับตัวเองเป็นคนป่วยเพราะกลัวว่าตัวเองจะอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าเขาแต่เวลาอยู่คนป่วยด้วยกันมันก็มีโอกาสที่จะแสดงความสา ม, มารถแสดงอีโกแสดงอัตตามาอันนี้ก็เป็นเพราะอำนาจของความยึดติดในความเป็นผู้นำแล้วแกก็ไม่ทําการรักษาไม่การดูแลไม่สนใจธรรมะเพราะปฏิเสธความจริงว่าตัวเองป่วยมันยอมรับไม่ได้ที่ตัวเองจะกลายเป็นคนที่รับความช่วยเหลือลจากใคร ในความรู้สึกแกเป็นยังไงคนป่วยคือคนที่อยู่ต่ำหมอพยาบาลคือคนที่อยู่สูงกว่าเป็นข้าใจแบบนั้นเพราะว่าเป็นพยาบาลสั่งคนป่วยได้ทุกอย่างเลยคนป่วยก็ต้องยอมทําตามหมอทาตามพยาบาลแกทนไม่ได้จะอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะความเป็นผู้นํามันมันไม่ยอมกม็เลยไม่สนใจก็เลยช่วชีวิตไปตามปกติแล้วก็พยายามที่จะลืมเรื่องนี้ด้วยการทํางานแกไปทําพวกที่ดินทําเรื่องที่ดินอยู่ด้วยทําไซไลายก็ไปเอา มัวแต่ไปทํางั้นเนีย่ยจนกระทั้งพอป่วยป่วยหนักก็ซึมอยู่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ซึมเพื่อนมาพูยพยาบาลมาคุยด้วยลูกน้องมาคุยก็ไม่สนใจมันมีมานะมีความแข็งขืนอยู่ซึ่งก็น่าสงสารเพราะว่าไอ้ตัวความเป็นผู้นาความยึดติดมันครอบใจเขาไวจ้จนกระทั่งไม่ยอมที่จะเปิดใจรับความช่วยเหลือหรือว่าเปิดใจที่จะรับฟังคําแนะนําของคนอื่นพอมาแนะนําให้ ฟังธรรมะหรือว่ารู้จักปล่อยวางก็ไม่ยอมมันขัดพืนมันแข็งขืนจนกระทั่งได้พยาบาลคนหนึ่งซื้อเขามาใจาอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาก็มาช่วยให้จิตใจมันคลายทํำยังไงก็มาเอาดอกไม้ทูบเทียนมาให้เขาแล้วก็บอกว่าจะทําบุญทําสังฆทานก็ขอให้เขาเป็นประธานทําสังฆทานด้วยให้เป็นประธานยกให้เป็นผู้นําไปเลย ตอนนี้กก็เอาสิย่อยเป็นผู้นำก็ได้ทาสังฆทานก่อนตายใจก็เป็นปิติทีนี้เขาก็แนะนําว่าเออปล่อยวางนะให้อโหสิกรรมแก่ใครต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนในที่ทํางานนี่จิตใจมัก็อ่อนลงพอเขายกให้เป็นผู้นําแล้วอะไรแล้วก็ยอมได้ทั้งนั้นก็เลยตาเบี่ยงสงบได้ยังดีที่ยังได้มีคนช่วยที่เขารู้จักจิตใจแต่ถ้าไม่มีใครที่มาช่วย ในลักษณะนั้นก็คงจะาตายแบบเรียกว่าทุกข์นะเพราะว่าจิตใจมันปิดมันรับมันยังยึดในความเป็นผู้นําอยู่มีหม้อยคนหนึ่งแกก็เก่งเหมือนกันนะเป็นรองอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงจําไม่ได้ป่วยเวลาป่วยนี่เข้าโรงพยาบาลก็เหมือนกันคล้ายๆกันไม่ยอมรับว่าป่วยแต่ว่าในสุดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนที่ร่วบป่วยนี่ซึมไปเลยว่าเป็นมะเร็งก็ซึมไปเลยทําใจไม่ได้แล้วพอป่วยแล้วเนี่ย พยาบาลมามาให้น้ําเกลือพยาบาลมาใส่ท่อช่วยหายใจอะไรตอนไรแกก็จะคอยแนะนําคอยสั่งให้ทําอย่างคน้นทำอย่างนี้อย่างยอมรับการเป็นคนป่วยไม่ได้ต้องสั่งโน่นสั่งนี่เพราะสั่งแล้วมันสบายใจว่าฉันได้เป็นผู้นําแล่อพยาบาลเขาก็ดีนะพยาบาลเขาก็ทำตามแล้วก็เอาคำแนะนําองเขาเนี่ยจดใส่เขาเรียกว่าอะไรจดหมายน้อยโพสติดนะ่ะติดไว้ที่หัวเตียงให้รู้ว่าผู้ป่วยเขาสั่งอะไรบ้างให้ทาตามนั้น แกก็สบายใจแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เรียกว่าไม่ได้เจอพยาบาลที่รู้จักจิตใจที่ยอมอ่อนอนผ่อนตามบางคนนี่มีทิตฐิมา น, นะเป็นสามีทำความผิดพลาดไม่ซื่อสัสตย์ต่อคู่ครองถึงเวลาป่วยแม่จะรู้สึกผิดภรรยาเก่าก็มาดูแลด้วยควา ม, มาใจใส่แต่ว่าตัวเองก็ปากแข็งใจแข็งด้วยไม่ยอมที่เอ่ยปากขอโทษเพราะรู้สึกว่ามันเสียเกียรติ ฉันเป็นผู้นําฉันเป็นคนเก่งมันยึดติดอยู่งั้นแหละแล้วก็ทําให้เวลาตายก็ตายด้วยความทุกข์เพราะว่ามันมีสิ่งค้างคาใจอยู่แต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายในสิ่งนั้นมันก็เข้ามาทําร้ายจิตใจาคนเวลาตายถ้ามันมีความรู้สึกผิดแล้วมันไม่ปล่อยไม่คลายนี่มันทรมานมากรวมทั้งความห่วงกังวลด้วย แต่ที่ไม่อยอมปล่อยม่อยอมขลายเพราะความยึดติดถือมันว่าฉันเป็นผู้นำฉันเป็นสามีฉันเป็นผัวจะต้องไม่มีการขอโทษใครทั้งสิน้นมันมีทิฏฐิมานนาอย่างนั้นอันนี้แหละคือทุกข์ของคนที่ไปยึดติดในชื่อเสียงสถานภาพหรือว่าความเป็นผู้นำความเป็นคนเก่งมันกลายมาเป็นสิ่งที่เข้ามากำหนดบงการจิตใจของเราบางทียาวไปจนถึงเวลาจะตายก็ยังสลัดมันไม่ได้ เพราะยังไปยึดติดมันอยู่ถ้าเราเหตุต้นห น, นักอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะเห็นโทษของมันแล้วก็ต้องรู้จักที่จะท้าทายมันบ้างอย่าให้มันคลองจิตครองใจเพราะ น, นี่มันคือตัวกิเลส ท, ที่ถ้าไปยึดติดแล้วมันทําให้เราแย่ยึดติดว่าฉันเก่งยึดติดว่าฉันเป็นคนมีความสามารถยึดติดว่าฉันเป็นผู้นําไอ้ตัวนี้เป็นตัวกิเลสเป็นตัวมาณน้ซึ่งมันสามารถจะโบยตีหรือกัดเราได้ มันให้ความสุขกับเราในยามที่เราสำเร็จแต่ว่าเราจะทุกข์แล้วก็ทุกข์มากๆเวลาพัดพลาจากสิ่งนั้นไปแต่ไม่ยอมรับความพัดพลาาในชีวิตประจาวันของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะท้าทายตัวความรู้สึกนี้อยู่เสมอเช่นเวลาเจอใครวิจารณ์เจอใครแนะนำก็ต้องน้อมใจรับแม้ว่าตัวมานะมันจะขัดพื้นมันจะไม่ยอมแต่ถ้าเรามีสติเท่าทัน รู้จักมองให้เห็นว่าเออที่เขาแนะนําก็ดีนะมันเป็นการช่วยลดอัตราตัวตนมีคนนึงบอกว่าเนี่ยเจ้าของเมืองบนลานทึงเสียชีวิตไปแล้วบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลใจที่มันต้องต้อนรับคําตําหนิเพื่อที่มันจะได้ลดอัตราตัวตนความเป็นผูน้นําความเป็นคนเก่งพุ่นเล็กคนนี้แกเป็นคนเก่งด้วยฉลาดมีความสามารถแต่ว่าแกก็ขัดเกลาตัวตนหรือว่าเล่นงานอัตราก็โดวยวิธีนี้วิธีหนึ่ง ก็คือว่าเออใครวิจารมาถือว่าดีถ้าวันไหนไม่ถูกวิจารมันเป็นอัปมงคลแล้วเจอความล้มเหลวก็ดีเหมือนกันมันจะได้ช่วยทําให้จิตใจมันอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างให้รู้ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีผิดมีพลาดได้ไม่ใช่ถือวดาวิธีนี้มันก็เป็นการหรือกว่าสังคลอนหรือว่าท้าทายไอ้ตัวมันนะหรือตัวยึดที่ยึดติดในความเป็นคนเก่งคนสามารถมีเรื่องเล่านะของ อาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นที่ยกย่องมากว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถในทางธรรมเขายกย่องเหมือนว่าเป็นอรหรันต์เลยไม่ต่างเทพเจ้าวันหนึ่งขณะที่พาลูกศิษย์เข้าไปในป่าปรากฏว่าไปเจอเสือมันอยู่ข้างหน้าลูกน้องก็วิ่งหนีก็เจิงตัวอาจารย์ท่านนี้ก็วิ่งด้วยลูกน้องเห็นก็เกิดความสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าเสื่อมศรัทธาเล็กน้อยว่าทาไมอาจารย์ ถึงหนีเสืออย่างนั้นทั้งนั้นที่อาจารย์นี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากก็เก็บหยึนความรู้สึกนั้นอยู่ในใจจนทําเมื่อวันที่อาจารย์ใกล้จะตายก็เลยถามถามเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าทําไมอาจารย์ถึงหนีเสืออาจารย์กลัวเหรออาจารย์บอกไม่กลัวรู้สึกก็เลยถามว่าวิ่งทําไมอ่ะแาจบอกว่าคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะวิ่งหนีเสือ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหนีความลำพองใจในวันหน้าคือไม่วิ่งหนีเสือก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดความลำพองใจขึ้นมากิเลสมันจะฟูฟ่องขึ้นมาว่าฉันแน่และความรู้สึกว่าฉันแน่นี่มันน่ากลัวกับเสือสิเพราะว่ามันสามารถจะคลองใจไปได้นานเราก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเหงื่อเกรมอาจารย์ก็เลยบอกว่าหนีเสือดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ไม่มาต้องลำพองใจว่าฉันเป็นคนเก่งแม้ว่าตัวจะไม่กลัว อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราว่าพาร์ทไอตัวมาน้าตัวตัวตนมันอยากจะโวดเก่งนะบางทีก็ต้องแก้งทำเป็นไม่เก่งเพื่อให้มันหายเหิมเกริมซะบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการลดละตัวตนที่ทาให้อ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นดีก็ต้องดัดดีสายนอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามวางฟอร์มอยู่เสมอนันก็จะกลายเป็นการเติมเชื้อเติม เติมพลังให้กับตัวกิเลสตัวนี้ซึ่งมันก็ยังมาครอบครองใจมากขึ้นทำอะไรก็เลยไม่คิดว่าตัวเองผิดพลาดเลยมีความผิดพลาดก็ไม่ยอมรับเพราะกลัวเสียฟอร์มนะเพราะว่ากิเลสมันมานะมันไม่ยอมอยู่แล้วเพราะถือว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ไม่ดีแทนที่มองว่าเอ้ยความผิดพลาดก็ดีนะมันช่วยทาให้เราเกิดปัญญางนั้นะนี่คือสิ่งที่เราไปต้องรู้เท่าทัน มีสติรู้เท่าทันยาให้มันเข้ามาเหิมเกริมมันก็เป็นธรรมดาที่มนุษย์เราจะยึดติดมันเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ประณีดหรือว่าสิ่งที่เลวากรามอย่างพระพุทธองค์เนี่ยก็มีคนมาถวายอาหารที่ประณีดจีวรที่ประนีตบางทีก็มีคนนําชื่อเสียงเกียรติยศมาให้ยกย่องพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวคือไม่ ไ, ได้ปฏิเสธแต่ใจก็ไม่ได้ยอมติดหรือว่าหวั่นไหว เขารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นแค่หัวโขนนิวว่าชื่อเสียงกติยศหัวโขนอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยมันมีไว้ใส่เวลาเล่นละครเท่านั้นเวลาเลิกเล่นโขนก็ต้องถอดหัวโขนออกไม่ใช่มาใส่ใส่ไปตลอดเข้าห้องน้ําก็ใส่กลับบ้านก็ใส่กินข้าวก็ใส่มันก็โง่เท่านั้นแหละแต่คนจํานวนไม่น้อยก็ไปยึดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็เลยใส่ไปตลอดไปไหนมาไหน ไม่มีใครทักก็ไม่พอใจตอกขอกในใจว่าไม่รู้ว่าโอ้เป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นคนดังอันนี้มันก็ทุกนะไปไหนไม่มีคนรู้จักพวกดาราพวกคนดังพวกคนเก่งคนดังไปไหนไม่มีคนรู้จักไม่มีใครทักนี่มันทุกมากเลยน่าจะยินดีที่มันทุกเพรอ้ตัวทุกที่มันคือตัวกิเลสตัวมานะให้มันทุกไปมันจะได้หายซ้านะจะได้หายตําเริบอันนี้เราต้องถือว่ารู้จักเกี่ยวข้ อ, ของกับมันอย่างถูกต้อง ให้เห็นว่าเป็นหัวโขนเฉยๆมีคราวหนึง่งหลวงพ่อโตท่านได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปงานบุญแถวในสวนแห่งหนึ่งวัดท่านอยู่วัดระกขังก็ต้องนั่งเรือเข้าไปตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จละสมเด็จพุทธาจารย์เป็นงานพิธีสําคัญก็ต้องมีพัดยศไปวางไว้บนเรือด้วยตั้งไว้บนเรือขณะที่เข้าไปในคลองมะกอกน้อยปรากฏว่ามันเป็นหน้ามันเป็นหน้าแรงแล้วก็น้นํานี่น้ําลดเรือไปได้ไม่ไกลก็ติด โรเด็กวัดก็ลงไปเข็นเรือแต่เข็นไม่ไปท่านก็ลงมาเข็นด้วยพอดีก็มีพวกเด็กพวกชาวบ้านชาวสวนแถวนั้นเห็นก็ส่งเสียงร้องกันเกลียวว่าสมเด็จเข็นเรือเว้ยสมเด็จเข็นเรือเว้ยคือท่านเป็นพระที่มีคนรู้จักเยอะเพราะท่านมีแม่ตามากคนก็พูดตะโกนกันสมเด็จเข็นเรือเว้ยท่านได้ยินท่านก็ตะโกนกลับไปตะโกนแับไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปสบายๆว่าฉันครัวโตจ่า ฉัไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ที่เรือน่นแล้วท่านชี้ไปที่พัดยศคือเขาให้ท่านเป็นสมเด็จแต่ท่านไม่รับท่านก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นขัวโต้ไอ้สมเด็จน่นเป็นหัวโคหรือพัดย์ศเท่านั้นเองเพราะนั้นท่านไม่รู้สึกอะไรที่จะไปเข็นเรือนะแล้วท่านก็บอกฉันเป็นโกรธโตจะฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ที่พัทย์ยศเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าตําแหน่งฐานะถ้าเราเกี่ยวข้องแบบนี้ก็ไม่มีทุกนะแต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็น อาจจะมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าก็อาจจะทุกถาวันก็ได้